ที่ทางเงินดาบไรของทัญญบุรีวิทยุราชมงคลธัญญบุรี FM 89.5 MHz เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต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 ใจไม่เชื่อมคลายนอนแล้วเมื่อเรียกถึงเธอมิเคยเวียนวายแต่แล้วโลกพาวกเวียนเรียนไปใจระทรมสุดรักพักดีอยากเห็นเธอมีชีวิตสุขใสตรองคิดดูว่าโลกสร้างเธอมาให้ใคร ทำกรรมหัวใจเพื่อเธอถ้าตัวอังจ ในอดีตกับรายการเรื่องเก่าที่เรารักสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้กลับมาพบกับรายการเรื่องเก่าที่เรารักทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM 8 9 5สิบมนะครับ สำหรับค่ำคืนนี้เรามาต่อกันนะครับจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้เริ่มต้นพูดคุยกันถึงเรื่องหนังกลางแปลงในสมัยก่อนซึ่งเด็กๆหลายๆคนน่าจะไม่รู้จักน่าจะเกิดไม่ทันแล้วก็ไม่เคยได้ยินเพราะว่าในยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยหนังกลางแปลงค่อนข้างหายไปจากาสังคมไทยมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับครับคือ แล้วก็วันนี้คุณต้นต้นต่อพิจิตต์แขกรับเชิญของเราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ยังนั่งอยู่กับเรานะครับคุณต้นเนี่ยเป็นคนที่สนใจในเรื่องของหนังเก่าเพลงเก่าก็ทั้งเก็บสะสมแล้วก็มีการจําหน่ายด้วยนะครับก็ยังไงลองเข้าไปใน Facebook ของต้นต่อพิจิตต์ใช่ครับต้นต่อพิจิตต์นักเตียมเพลงเก่าก็ไป สืบสอหาข้อมูลกันได้นะครับสำหรับใครที่สนใจครับ<ช>คุณต้นครับหนังกลางแปลงเนี่ยเขาว่ากันว่ามันเป็นสถานที่ที่เป็นการรวมตัวเป็นแหล่งสังสรรค์ของประชาชนในหมู่บ้านในใ ช, ชน บ, บทในใ<ช>สมัยก่อนขยายความกันให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพสักนิดหนึ่งว่าคำพูดตรงนี้มันชัดเจนแค่ไหนมันเป็นจริง ขน า, นาสำหรับผมเนี่ยนะฮะเท่าที่ผมได้สัมผัสมาน ะ, ะหนังกาแปลงเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะฮะจะมีผู้คนสนใจเยอะนะครับมีคนเข้ามาดูกันมากมายนะจะตั้งแต่หัวค่ำอะไรเนี่ยจะมีการอาเอาผ้าเอาเสื่อมาปูนะฮะเหมือนกันจองที่อาจจะเป็นหน้าจอข้างจออะไรอย่างเงี้ยนะฮะอพอตกค่าๆเนี่ยจะมีคนนะฮะที่เขาจองเนี่ยเข้ามานั่งก็ามา จากในหมู่บ้านนั้นๆหรือต่างหมู่บ้านอะไ ร, รที่เขารู้ก็ก็จะมามาดูกันนฮะแล้วก็เหมือนกับเป็นการได้ทาความรู้จักกับเพื่อนๆหน้าใหม่ด้วยนะเพราะว่าบางทีในหมู่บ้านนั้นนะครับอยู่กันมานานไม่เคยคุยกันไม่เคยได้พบหน้ากันแต่ว่าพอมีหนังกลางแปลงมาฉายในหมู่บ้านเนี่ย ต้องมีการเอาเสือเอาหนังสือพิมพ์มาปูนั่งใกล้ๆกันข้างๆใช่บางทีมีการซื้ออะไรนะปลาหมึกยางปลาหกปลามึกบทมากแบ่งกันกินอันน to ี้ซื慢慢้อขนมครกอันนี้ซื้อลูกชิ้นมีการแจกกันมีการแบ่งกันกินก็เรียกว่าเป็นการสร้างสัมพันธ์ของคนในยุคนุ่มด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างสมัยก่อนเนี้ยครับคู่รักหนุ่มสาวที่เขาเป็นแฟนการจีบกันเนาะมีการนัดกันตั้งแต่เย็นทำนาทำไรกันแล้วว่คืนนี้มีหนังกลางแปลงมา น้องไปเจอพี่ที่ร้านนี้นะพี่ไปเจอน้องที่นี่นะอะไรอย่า ง, างนี้นะก็เหมือนกับเป็นที่นัดพบของหนุ่มสาวด้วยได้มานั่งดูหนังด้วยกันแต่ว่าการดูหนังของคู่รักในในยุคของหนังกลางแปลงเนะี่ยต่างจากหนังในสมัยที่มีโรงมัตเตอร์ลกหรือว่าดิจิทัลวัดในปัจจุบันนี้เยอะเลยนะฮะเพราะว่าครับ อ, อย่างเนี้ยมันอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่มันอยู่ในสายตาของเพื่อนบ้านใครับก็ เรียกได้ว่าเป็นการสางสัมพันธ์ทั้งคู่รักทั้งเพื่อนใหม่ๆแล้วก็ได้ทั้งบรรยากาศของลมเย็นๆได้ทานขนมขบเคี้ยวได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือมีนักภาคด้วยใช่ไหมฮะนักภาคหนังสดเมื่อก่อนต้องย้อนไปนานเลยนะก็ะเป็นยกหนังภาคเนี่ยต้องย้อนไปสี่สิบห้าสิปีนู่นเลยใช่เมื่อก่อนเนี่ยมอมหลวงรุจิล า, านะฮะอิสรางคูเนี่ยเชื่อว่า ทุกคนในยุคนี้ไม่รู้จักแต่เท้าความหนึ่งท่านนิดหนึ่งคือตอนนี้ท่านเสียบแล้วนะครับท่านเป็นศิลปินที่มีความสามารถเป็นทั้งนักสแสดงแล้วก็เป็นนักพากซึ่งเขาเรียกท่านมีฉายาว่านักพากร้อยเสียงซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเวลาหนังกลางแปลงไปฉายเนี่ยก็จะมีการพากสดบางทีเนี่ย หนักพักหึ่งคนคนต้องพักเป็นเสียงผู้หญิงใช่ครับต้องได้ทุกเสียงเนาะเสียงเด็กเสียงคนแก่ตัวอะไรอ่าใช่ครับต้องพักให้ได้ทุกเสียงสมมติกําลังเออสู้กันอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็งอยเข้ามานะ่ใช่ยาครับพี่และเอฟเฟกจะอจเยือกใกล้มืออาจจะเป็นโต๊ะโต๊ะเคาะเก้าอี้ทิ่มกระดาษอ่าตีช้อนตีซ้าอะไรก็ว่าไปนะฮะอย่างเมื่อก่อนเวลาเสียงคนย่ําย่าหญ้าย่ำกองไฟก็จะขยากระดาษขยากระดาษ หรือบางทีก็จะเอาบทเอากระดาษม้วนฟา<บ>ดฟาดเวลาตีกันก<อ>็เ<ช><ช>นี่ยมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่เราเรานจนากเราจะได้ดูหนังบนจอแล้วเราก็ยังเห็นความสามารถเห็นสีสรรันรอบรอบรอบรอบลานหนังกลางแปลงไปด้วยนะครับก็อย่างที่ทราบว<ช>่า จุดเด่นของหนังกลางแปลงหลักๆเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือหนังกลางแปลงจะต้องฉายตอนกลางคืนใช่ใชใครับใช่ใครับต้องใช้ความมืดกับฉายกลางวันก็คงมองไม่เห็น <c <Jugend> <c <dissolve> ครับอัน <PUBG> าานี้เป็นข้อแรกเป็นกฎข้อแรกของหนังกลางแปลงเลยแล้วก็สคือจะต้องมีอุปกรณ์ฉายหนัง<ช>นะค ร, คร น, ะนะครั่นก็คือ1จอผ้าสีขาวขนาดใหญ่ใช่ไหมครัครับจอผ้า2ก็จะเป็นหัวฉายเป็นแล้วก็เป็นเตานะครับเป็นเตาอาร์คเมื่อก่อนก็จะใช้ถ่าน ฐานอัร์กในการฉายนะครับการต่อทานต่ออะไรที่เราจะเห็นมากมันจะมีไฟพุ่งขึ้นมาข้างบนแล้วก็มีควันลอยๆใช่ก็เป็นบรรยากาศที่เหมือนนางผีใช่ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะจะเป็นทุกวันนี้จะเป็นเตาซีนอนนะครับคนที่เขาเลียกกจะเป็นเตาซีนอนก็คล้ายกับหลอดไฟเป็นหลอดเป็นหลอดไฟที่เขาไม่ต้องใช้ไฟอากอเป็นไฟที่เขาใช้เป็นอ่าเป็นหลอด กี่รอยกี่พันวัตอะไรก็แล้วแต่นะฮะใช้มันจะใช้ง่ายกว่าเมื่อก่อนนี้ถ้าใช้ฐานก็คือต้องใช้ฐานตอ่อเดี๋ยวฐานจะหมดต้องฐานตอ่อถ้าฐานต่อฐานไม่ทานนี่ก็คือจอดําโดนหงอีกฐานนี่คือฐานแบบฐานไม้่านเป็นฐ า, านที่ใช้คล้ายๆกับที่ออกริดเป็นแท่งๆยาวๆนะฮะใช่ครับก็จะขี่ไปต่อแล้วก็อากันทําให้แสงสว่างขึ้นแล้วก็โฟกัส ยิงออกไปที่หน้าจองไม่ใช่ฐานฟืนแบบที่หุ่นยนตไม่ใช่ครับควรละทานยังไงควละทานครับเอแล้วก็จะต้องมีลำโพงกระจายเสียงเครื่องฉายมันมีทั้ง16มมแล้วก็35มมใช่ไหมมันสั่งกันยังไงครับคุณตุอ่ล16มมนี่รู้สึกว่าระยะหลังๆนี่จะไม่ค่อยมีใช้แล้วนะเพราะหลังๆมันนี้จะใช้เป็นฟิล์ม35มมกันหมดแหละเพราะ16มมนี่ก็คือหมดยุคมาตั้งแต่ช่วงยุคยคปี 2514-15 นี่ก็จะเริ่มไม่ค่อยมีแล้ว S <S สามสิบห้ามมเนี่ยคุณภาพของฟิล์มเนี่ยมันดีกว่าดีกว่าใหญ่กว่าครับแล้วก็กวาอายุการใช้งานมันยาวกว่าไหมฮะก็พูดถึงนะครับอายุการใช้งานนี่ก็อยู่ที่การเก็บรักษาด้วยนะเพราะบ้านเรานี่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะเก็บรักษาเท่าไหร่พอหมดยุคของหนังเรื่องนั้นไปเนี่ยเขาก็จะทิ้งบ้างทิ้งไปบ้างหรือไม่ได้สนใจก็ปล่อยเน่าเสียไปตามกาลเวลา เศษหนังเศษฟิล์มที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันเนี้นะใช่ไปก็ขาดไปต่อไปก็กลายเป็นเศษหนังเขาก็ไม่ฉายครับเพราะเอามาฉายแล้วมันจะทําให้อจอเขาไม่ค่อยมีชื่อเสียงฮะอ๋อไม่ค่อยดีแล้วเอาหนังเก่าๆไม่ต้องฉายหานังใหม่ๆมาใช้อย่างเงี้ยบริษัทที่ที่ฉายหนังกลางแปลงดังๆในยุคนั้นมีอะไรบ้างทุนยุคยุคนั้นเลยสําหรับผมต้องแอ็ดเทวดา จอพาโลกโร้อยจอร้อยจอบางทีมีร้อยจอใช่ใช่จอใหญ่จอกว้าง่าโลกระบบเสียงระบบ ภาพเขาสุดยอดมาก<จ>ตอนน<ำ>ั้นนะจาได้ว่าเคยที่สนามหลวงร้อยจอแล้วแบบดูกันไม่รู้เรื่องใช่แล้วก็จะฉายเตะกันอยู่อย่างงั้นแหละใครชอบจอไหนก็จะไปนั่งดูขึ้นจอติดกันนะครับท่านผู้ฟังก็คือจอเนี้ยฉายหนังโรแมนติกหนังรัก<ช>อีกจอหนึ่งติดก็นเลยเป็นหนังบูอีกจอหนึ่งเป็นหนังผีใช่พระเอกกำลังจีบนางเอกอยู่เสียงผีเข้ามา ค, คือคนฟังเนี่ยจะต้องใช้ประสาทสัมผัสที่พิเศษนิดนึงนะใช่ครับ ก็คือจะต้องแยกแยะเวลาเขาเขาฉายพร้อมร้อยจอเนี่ยใช่ครับบางทีเขาก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะโชว์กันนะระบบเสียงระบบภาพอะไรอย่างงี้นะฮะก็ถ้าระบบเสียงเนี่ยแบบดังๆสักร้อยจออะไรเงี้ยก็จะตีกันฟังกันไม่รู้เรื่องอแต่ว่าถามว่าดูไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับแต่มันได้ความสนุกใช่ไหมความยิ่งใหญ่เดินดูได้ทุกจอนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะร้อยจอ ไดยขาลากเลยนะครับครับแล้วก็หนังที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่สำหรับหนังการแปลงเนี่ยต้องเป็นหนังบูไหมครับหรือว่าเป็นหนังขีหรือเป็นหนังตลกสมัยก่อนส่วนใหญ่น่าจะเป็นหนังบูนะถ้าหนังบูนี่รู้สึกว่าจะมีคนดูเยอะอนะถ้าเป็นหนังชีวิตหรือหนังอะไรที่แบบไม่ค่อยที่จะมีอะไรอย่างเงี้ยคือคนจะไม่ค่อยดูอ๋นะ oh. อาจจะเป็นเพราะวัยรุ่นที่ดูในช่วงนั้นอาจจะแบบว่า มันดูเฉยๆหรือเปล่าเราก็ไม่ไม่ไม่ไมแน่ใจนะไ ม, มนไม่มีฉากเล้าใจไม่ถูกจริตันดูมันไม่มีฉากเล้าใจมันไม่มีฉากมีเลือดกระเซ็นยิงกันอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะดูแบบเอ้ยตื่นเต้นระทึกใจดีชอบหนังเรื่องนี้อะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าคนในต่างจังหวัดหรือคนในชนบทเนี่ย ค่อนข้างชอบหนังบูเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือผมว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากนิยายสมัยก่อนด้วยนะครคืออย่างนิตยสารบางกอกนิตยสารทางตะวันเนี่ยเป็นนิตยสารที่เข้าถึงคนในพื้นที่แต่จังหวัดแล้วก็รอบนอก ส, ส่วนใหญ่แล้วนิยายที่ลงก็จะเป็นนิยายบูนิยายแอคชั่นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาดูหนังกลางแปลงเนี่ยเขาก็ เคยได้ติดตามบทประพันธ์เรื่องนั้นหรือว่านิยายเรื่องนั้นมาก่อนหน้านั้นแล้วอ่ะก็เรื่องไหนดังๆก็อาจจะเอามาทําเป็นหนังอีกใช่ก็ดังไปอีกร้อยป่าเลยเพราะนี้ยหลายๆเรื่องฮะเพชรพระอุมาร้อยป่าหรืออะไรที่ลงาเคยเห็นเห็นมาค่ะแม่น้ําแควอะไรต่างนะครับนั่นคือที่มาของพี่แก้วพลิกดีอะไรไม่หัวลำโพงพวกนั้นใช่ครับจุดกําเนิดของคุณแก้วพลิกดีนะครับแม่หัวลำโพงครับเอถามถึง บรรยากาศของหนังกางแปลงในปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างหาดูได้ยากแล้วคุณต้น เ, เป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าทุกวันนี้ก็คือเอาตรงๆก็คือสื่อถึงกันหมดแล้วนะโทรศัพท์เนี่ยนะก็คื อ, อเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไปเสพจากโทรศัพท์กันหมดแล้วอนะหนังกางแปลงก็เลยลดลดลงนะเพราะทุกวันนี้ฉายก็อาจจะไม่มีใครดูแล้วแหละนะก็จะมีคนกลุ่มเล็ก อาจจะมีคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่อนุรักษ์กันอยู่นะครับจากเพื่อนๆพี่ๆตอนนี้ก็ยังมีอยู่<ช>ที่ยังสะสมที่ยังฉายตามงานสารเจ้าตามงานอะไรก็แล้วแต่ที่เขายังจ้างไปอยู่นะ<ช>ตอนนี้ยังพอมีอยู่อุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือภาพยนตร์สมัยเนี่ยเขาไม่ใช้ฟิล์มแล้ว<ช>ถ่ายทำด้วยระบบดิจิตอลเพราะฉะนั้นส<ช>ายที่จะมาซื้อไปทําเป็นหนังต่างแปลงเนี่ยก็ค่อนข้างไม่มีฟิล์มเรื่องใหม่ๆใช่ใช่ไหมฮะใช่ ครับเพราะฉะนั้นปัญหายอย่างหนึ่งนอกจากการเข้าถึงคอร์เทคโนโลยีของออยุคปัจจุบันแล้วก็ยังเป็นเรื่องของออการผลิตฟิล์ม ที่มันหายจากวงการมันกลายเป็นดิจิตอลไปหมดแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้คุณต้นบอกก็คือสมัยเนี้ยเด็กๆก็ดูได้ในมือถือในมืือถช่ค่ะเขาก็ไม่จำเป็นที่ต้องเดินทางเข้าเมืองมาเพื่อที่เพื่อที่จะมาดูหนังหรือว่าจะต้องไปนั่งรอหนังขายยาหนังข้างแป้งนานสรือจะต้องไปซื้อผลิตภัณฑ์ให้ถึงยอดที่ได้ดูจนจบเรื่องเนี้ยก็ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวเนี้ยอ่ ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอะไรมันมาไวมันก็ไปไวนะครับใช่ครับครั บ, รบย้อนไปถึงความรู้สึกของต้นนิดนึงว่าลหลงไหลอะไรในหนังกลางแปล ง, ลงหลงไหลอะไรในบรรยากาศของยุคนั้นครับผมว่าภาพโดยรวมแล้วนนเนี่ยเท่าที่ผมสัมผัสมาตั้งแต่เด็กผมไม่ทราบว่าผมหลงอะไรมาแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบที่จะไปนั่งเกาะท้ายรถ ท้ายรถฉายนะอืเห็นเขาเวลาเขานั่งกรอกรอฟิล์มนะกรอฟิล์มเอยนั่งตัดต่อฟิล์มรู้สึกว่าเราอยากทําบ้างเราอยากมีบ้างรู้สึกเราชอบเราเห็นแสงที่มันพุ่งออกมาจากเครื่องอ <downloaded> ไปที่จอเรู้สึกว่าเราชอบอยากมีนี่หมายความว่าอยากมีหนัง16มม3เดซิมอ ม, ม, มไว้ในครอบครองใช่ครั บ, รบอยากจะเป็นคือคิดแบบเด็กๆครับอยากจะมีหน่วยฉายเองบ้างนะโตขึ้นมาเราอยากจะมีหน่วยฉายของเราอยากจะฉายหนังอยากเป็นคนฉายหนังนะฮะ แล้วปัจจุบันคือมีหนังเก็บด้วยนะฮะมีอยู่ประมาณกี่เรื่องครับก็มีอยู่หลายสิบเรื่องเหมือนกันนายที่ยากฮะเป็นก็ส่วนใหญ่จะเป็นหนังหายากครับเช่นก็จะมีหลายเรื่องอาจจะเป็นอ่าตอนนี้ก็จะมีอ่าเรื่องหลแพ้เก่านะครับแพ้เก่าเวอร์ชันคุณนันทนาสพใช่ครับใช่ครับในสภาพสมบูรณ์เลยัหมครับก็เกือบเกบสมบูรณ์แต่ว่าสีอาจจะเฟดเฟดลงไปหน่อย ส่วนอย่าไปหามาจากไหนครับไปเอามาจากไหนก็ตามสายหนังเก่าๆตามต่างจังหวัดที่อย่างที่บอกนะครับว่าอาจจะมีพวกเขาเรียกว่าอะไรนะหนังกล้งแปลงเก่าสมัยก่อนที่ขายยงขายยาอะไรเงี้ยเราก็ตามไปตามหน่วยชัยนั้นๆนะที่เขายังเก็บอยู่ครับซื้อขายกันแพงไหมครับในปัจจุบันก็แล้วแต่หนังนะครับถ้าหนังไหนหายากๆหนังดีๆแล้วหายากๆก็ราคาก็จะแพงอ่าครับย้อนกลับไปในยุครุ่งเรืองของหนังกลางแปลงเนี่ย ก็คือตั้งแต่ปี2521มาจนถึงปี2535ใช่ไหมฮะก็ยุคนั้นเนี่ยอย่างที่บอกคือบางงานเนี่ยก็จ้างไปฉายจอหนึ่งบางงานก็ 1, 1เรื่อง3มเรื่องบางงานก็9เรื่องจนถึงเช้าใช่ไหมฮะมีการฉายไปถึงตอนเช้าเลยก็มีครับฉายยันสว่างไปเลยบางที4 5เรื่อง6เรื่องถ้าหนังยาวๆหน่อยก็ฉายกันยันเช้าไปเลยเอ อ, อันนี้เหมือนกับ ที่มีเรื่องเล่าเรื่องผีจ้างหนังใช่ไหมคับที่เขาถ่ายกันถึงเช้าวันนั้นใช่คำชะโนดใช่ครับอันนั้นเป็นเรื่องจริงด้วยใช่ใช่ใช่ก็รู้จักกับพี่ที่อ่าบริการนี้อยู่นะก็รู้จักกันเป็นเพื่อนกันใน Facebook ุ๊กให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่ามันมีที่มาที่ไปไงครับตรงนี้ยหลายๆคนที่อาจจะเคยได้ยินตํานานของผีจ้างหนังเนาะก็คือเป็นหนังกั้นแปลงนี้แหละครับเป็นยังไงอคุณต้นก็เท่าที่ทราบนะก็เหมือนเหมือนว่า มีคนมาจ้างอ่ะถ้ามีคนโทรศัพท์มาจ้างเข้าไปฉายนะฮะก็เอารถเนี่ยหล้อเนี่ยตอน น, ตอนนั้นก็คือเหมือนเหมือนตั้งค้าๆแล้วมั้งก็ขับรถเข้าไปนี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นป่าเป็นอะไรเงี้ยก็ไปตั้งจอฉายอ่าแล้วก็บอกว่าประมาณว่าพอฉายแล้วปุ๊บก็จะมีคนก็ค่อยเห็นคนมานั่งดูบันทีแล้วคนสองคนสาคนอะไรประมาณเนี้นะฮะแต่พอจนฉายเสร็จปุ๊บเก็บจอกลับออกไม่ได้แล้วเหมือนเป็นป่าไม่รู้เข้ามาได้ยังไงอะไรประมาณเนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ แปลกๆกันนะฮะไม่เคยเห็นนะครับก็อย่างที่ทราบว่าปัจจุบันวงการหนังการแปลนี่ค่อนข้างสบเซานะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำอาชีพนี้ก็เปลี่ยนอาชีพไปซ่อมลําโพงให้ช่เองเสียงขับรถรับจ้างแทนนะครับก็เรียกได้ว่ามันเป็นวิวัฒนาการของยุคสมัยแล้วก็เป็นสีสันในวันๆที่เราทั้งสองคนเคยได้สัมผัสแล้วก็คิดว่าอยากจะนํามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในยุคนี้นะครับอยากให้ได้รับ ความสนุกได้รับความรู้เกตสาระต่างๆหวังว่าเรื่องราวที่เราเล่ากันมาทั้งสองอาทิตย์ของหนังกลางแปลงเนี่ยคงจะสร้างความทรงจําสร้างรอยยิ้มแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆคนฝังได้ไม่น้อยคุณต้นมีอะไรอยากจะฝากไปถึงคนที่ชอบหนังแล้วก็อยากสัมพันธ์หนังกลางแปลงบ้างไหมครับก็คืออยากจะฝากว่าทุกวันนี้เนี่ย อย่าคิดว่าหนังกลางแปลงเขาจะตายลงไปนะครก็คือยังมียังยังมีให้เราเห็นอยู่นะฮะทุกวันนี้ยังมีให้เราเห็นอยู่ก็คืออยากจะฝากว่าขอให้เด็กๆรุ่นน้องๆเนี่ยนะหันมาดูหันมาชมหนังกลาแปลงบ้างนะครับสเสน่ห์ของหนังกลางแปลงเนี่ยถ้าเราไม่สัมผัสจริงๆเราจะไม่รู้เลยต้องต้องไปหาดูนะฮะต้องหาดูครับผมครับสําหรับสัปดาห์นี้เราทั้งคู่ผมชวบดิษรุณทัศน์แล้วก็คุนต้นก็ คงต้องขอลาไปแล้วเพทนี้นะครับและก็ก่อนจบรายการผมขอฝากเพลงประกอบภาพยนตร์ผู้ชนะสิบทิศไว้ให้คุณได้ฟังกันก่อนนอนคืนนี้นะครับนั่นคือเพลงบูเรงนองลั่นกลองรบครับจากเสียงของคุณวิระ บ, บุญมูลศรีมงเยื่อไม้นะครับครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ปีดีคองยำกลองสุดครบจะพบคนงามในความแค้นใจจะหมายชิงชัยกุศมาสั่งเวนกำไว้เจ็บใจยิ่งน้อเจ้าซอปิญญาข้าทนโซกาข้หมายมันมาบุตะเลงกลองตึงทัวพลังไม่วันเพรงฟังค่ายเพลงกวา่ารสชาทุกคราที่พาแดนฟ้าเมืองแปงล ง, งกรองตึงรวมพลังไม่วันเพรงฟังค่ายเพลงกวา่ารสชาทุกคราที่พาแดนฟ้าเมืองแปลง ร, ร้อนรุมในดวงแดดรกากกับแพะเป็นตายสู้กันเข็นโยธายกมาในเร็ววันรับมิ่งฟันตามไว้กุศมา จะพบคนงามด้วยความแข็งใจจะไ ม, มายิิงชัยคู่มาสร้างเวรกรรมไว้เจ็บใจยิ่งนอ้อยจะซอ้อกินยาข้านโตกาข้าไม้มันมาบ่เต็มกองกรั้ ว, วลันวันเพลง่งต้องคาเพลงกาททา า, าแดนฟ้าเมืองแป พายกมาในเร็ววันรับมีควมมันสไบกุสุมาทุ่งยาบาเล่ทุ่งยาบาเล่ ย, าาเลย้อนรอยทุกเรื่องราวที่น่าสนใจในความทรงจําที่ปัจจุบันถูกลืมเลือนกับรายการเรื่องเก่าที่เรารัก